พวกนี้รับพลังกุศลไม่ได้แต่ก็เปรตบางตัวนี่ก็เหมือนกับท้องเนี่ยเหมือนกับมีแต่ฐานไฟอยู่ในนั้นนะ่ะมันร้อนรนกระวนกระว歪ใช้ชีวิตหนักกว่านั้นอีกบางคนบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อก็อย่าทำบาปไปแล้วกันถ้าไปแถวนั้นเนะี่ยโอ้หมันแก้ไขา ย, ยากนะท่านหนักกว่านั้นอีกก็นรกอย่างเดียวนนะแล้วก็นรกนั้นเป็นสถานที่ ท, ที่หาความเจริญไม่ได้นิรยะเนี่ยนะ การนั่งยิ้มสักสิบนาทีเนี่ยไม่ได้เลยนะในนรกเนี่ยมีแต่มีแต่ความทุกข์ทรมานคิดดูนะถ้าหากว่าแม้แต่มนุษย์ของเราเนี่ยคนถูกย่างสดเนี่ยนะเผาสดสดเราก็ยังเคยได้ยินกันเลยนะนี่ขนาดเขาเกิดเป็นมนุษย์นะยังถูกเผาขนาดเนี่ยถ้าหากว่าโหไปในอบายทุคติวินิบาศนรกเนี่ยมันจะร้อนขนาดไหนเดือดร้อนขนาดไหนแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คนอื่นทําให้เขาเลย เจตนาที่อยู่ในความคิดของเขานั่นแหละเป็นตัวประทุษร้ายเขาพ่อแม่ไม่ได้ทำบาปให้เขาหรอกญาติพี่น้องก็ไม่ได้ทำบาปอันนั้นให้เขามิตรอมาตก็ไม่ได้ทำบาปอันนั้นให้เขาที่แท้แล้วบาปเหล่านั้นเนี่ยเขาทำด้วยตัวของเขาเองเห็นเขาทำด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นคนที่ทำบาปทำอกุศลไม่ใช่ศัตรูของตัวก็ เหมือนกับศัตรูของตัวนี่แหละให้แต่ความทุกข์ความทรมานให้จริงอยู่วันนี้อาจจะได้รับความสุขสนุกสดชื่นเราก็ลักษณะนั้นและกว่าจะได้มีความสุขสดชื่นสักเดืนสุขใช่ไมกรรมสมาทานบางอย่างเวลาทำนี่สนุกนะสุขน่าดูเลยนะแต่ผลของเขาเป็นความทุกข์กรรมสมาทานบางอย่างขณะที่ทำเป็นทุกข์ผลของเขาก็เป็นทุกข์ กรรมสมาทานบางอย่างนี่เวลาทำนี่ก็ทุกข์แต่ว่าผลแห่งการกระทํำเหล่านั้นก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทั้งหลายเจริญกุศลธรรมเนี่ยทุกข์บ้างก็นับว่าเป็นเรื่องธรรมดาเห็นไหมไม่มีชีวิตใครราบรื่นเห็นไหมเราไปชมสวนกุหลาบเนี่ยนะไม่ได้ใส่รองเท้าไปเนี่ยเดินลุยน้ํากุหลาบเข้าไปเนี่ยกว่าจะเห็นดอกกุหลาบดอกนึงก็ไม่ใช่สนุกนะนะนชีวิตของเราก็ลักษณะนั้นแหละกว่าจะได้มีความสุข สดชื่นสักนิดหนึ่งเนี่ยนะก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานแต่ที่แต่ก็ควรที่จะสลดสังเวชใจว่าชีวิตเราก็ไม่น่าจะอยู่หยุดอยู่แค่นี้นะน่าที่จะเพิ่มกุศลธรรมชาติหน้านะถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์คืนเท่าทุนโหลงทุนน่าดูเลยนะได้เป็นมนุษย์คืนเนี่ยทุนเท่าเดิมแต่ถ้าหาว่าไปเกิดสุขคติเป็นต้นเนี่ยนะเป็นเทวดาสูงๆไปอีกก็นับว่ากําไรนะนะ แต่ถ้าหากว่าประพฤตทาดับกิเลสได้นี่ก็อันนี้สุดยอดเลยแต่อย่าลืมว่าจะรักษาต้นทุนไว้เดิมได้หรือเปล่าแค่นั้นแะ น, นี่เป็นเรื่องที่ดูเอาตอนไหนเป็นเครื่องวัดว่าว่าจะได้กําไรเท่าเดิมหรือเปล่าก็ไปวัดตอนใกล้จะมรณะน่นแหละถ้าใครที่สา ม, มารถรักษากุศลจิตให้เกิดขึ้นได้ใกล้จะตายก็แสดงว่า รักษากุศลจิตได้นะเปอร์เซน์เท่าทุนถ้าเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าเกิดเป็นมนุษย์ในยุคหน้าลาบจะน้อยกว่ายุคนี้เพราะว่าในยุคต่ อ, ตอไปที่จะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนก็นับว่ายากกว่ายุคนี้แล้วก็คิดดูในยุคนี้กว่าจะศึกษาคำสอนก็ไม่ได้ง่ายเลยยุคหน้าต่อๆไปนี่ก็หนักมาในอีกปัญหาการครองชีพอะมันเป็นตัวบีบบังคับ ให้เราไม่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคําสอนอย่างที่ที่ไปในหลายๆแห่งเอเขาจะเอาเวลาที่ไหนมาฟังธรรมนะชีวิตมีแต่ความเร่งรีบรีบรีบเร่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความเร่งรีบรีบเร่งเนี่ยนะขับรถรีบใหญ่เลยนะแต่เบรงห่อใหญ่เลยโครมทีเดียวเรียบร้อยเลยหายเงียบไปแล้วปฏิสนธิในภพใหม่สบายสบายไปแล้วเพราะฉนั้นชีวิตก็เป็นลักษณะนั้นแหละนั้นจึงไม่ควรประมาทเจริญกุศลหลีกเลี่ยง ยุคหน้าก็เรียกว่ายุคมิขสัญญีเหมือนนยุคที่สัตว์ทั้งหลายมีความสําคัญเหมือนกับแพะแกะไก่นั่นแหละเป็นชีวิตในยุคที่เห็นแก่ตัวนะสํานวนเขาเรียกเห็นแก่ตัวนะที่ว่าเห็นแก่ตัวนี่ก็คือเห็นแก่การทําบาปทําอกุศลเห็นไม่เห็นโทษของบาปของอกุศล น, นะศึกษาในคุณของพระพุทธเจ้าอีกบทหนึ่งเนอะคือบทว่าสุขโตสุขโต ในหน้าเจ็ดนะสุขโตนั้นแปลว่าพระองค์นี้เป็นผู้เสด็จไปดีแล้วยอมคนหนึ่งเป็นฝรั่งเขาถามว่าเสด็จไปดีแล้วไปยังไงเขาว่าไงสุขโตแปลว่าเสด็จไปดีแล้วไปยังไงชื่อว่าไปดีแล้ว น, นะแปลว่าไปแล้วด้วยดีท่านไปไหนก็มาดูนะว่าคำว่าไปดีแล้วหรือไปแล้วด้วยดีนั้นมีอยู่สี่ความหมายด้วยกัน ความหมายที่หนึ่งก็คือผู้มีทางอันเสด็จไปงามอันนี้เน้นทางนะคำว่าทางนี้บาลีเป็นชื่อว่ามักเนี่ยนะบาลีใช้คําว่ามักภาษาไทยใช้คําว่าทางคนที่ไปตามมิจฉาทิฐิเป็นต้นก็แสดงว่าไปไม่ดีคนที่เป็นมิตรมเสด็จไปสังกปะเนี่ยนะอภุสรวิตกเกิดขึ้นก็ชื่อว่าไปไม่องแปลกก็ให้เอาดำเอาขึ้มา สังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสามาธิเนี่ยนะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละเป็นทางของพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์เสด็จไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละเรียกว่าสุขโตพระองค์เสด็จไปดีแล้วเนี่ยนะเพราะเสด็จไปตามอริยมรรคมีองค์8นะไม่ไม่ไปคดเหมือนกัไปดี ถ้าคนที่ไปตามมิจฉาทิฐิเป็นต้นก็แสดงว่าไปไม่ดีคนที่เป็นมิจฉาสังกปะเนี่ยนะอปุสลรวิตกเกิดขึ้นก็ชื่อว่าไปไม่ดีเนี่ยนะก็ให้เอาดำเอาขาวมาพลิกกลับไปกลับมาดูเนี่ยนะถ้าเอาสมาัมมามัมาจับก็เอามิจฉามัติมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์แยกแยะพินิพิจารณาไปด้วย อันแต่ความหมายในที่หนึ่งของคําว่าพระตถ า, าคตาไม่ใช่พระสุคตเนี่ยนะบางแห่งเนี่ยภาษาไทยเมื่อก่อนใช้คําว่าพระสุคตเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศอย่างเงี้ยคําว่าสุคต์นี่ก็คือสุขโตสุขตับเปเวทิโตอันคําว่าพระสุคตหรือว่าสุขโตความหมายที่หนึ่งก็คือพระองค์นี้ผู้มีทางอันเสด็จไปงาม ก็คือพระองค์นั้นเสด็จไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนั่นเองที่สองพระองค์นี้เสด็จไปสู่ที่อันดีที่ที่ไปของพระองค์นี่ดีจุดหมายปลายทางของพระองค์นี่ดีที่ที่พระองค์เสด็จไปนั้นก็คือพระอมตะนิพพานนะความสิ้นตัณหาเป็นธรรมะที่ไม่ตายนั้นความสิ้นนิพพานหรืออมตะนิพพานนั้น ไม่ควรที่เราจะนึกว่าโอ้โหเป็นสถานที่ที่ใดที่หนึ่งในโลกของจินตนาการของเราที่จินตนาการขึ้นพระองค์ทรงแสดงว่าพะนิพพานนั้นไม่อยู่ในวิสัยแห่งตักกะเรานึกยังไงก็นึกไม่ถูกอ่ะเพราะว่าพราปุตชนนั้นรู้ไม่ได้โดยแม้ความฝันเหนกันสวรรค์นี่ยังฝันว่าได้ไปบ้างเลยนะแต่นิพพานนี่หมดสิทธิ์เลยเพราะอะไรเพราะว่านิพพานไม่ใช่สวรรค์ พันนิพานนั้นเป็นธรรมะเป็นที่สิ้นปลายแห่งตัณหา <c oughs> คนที่จะรู้จักนิพานดีคนนั้นจะต้องรู้จักนิพานนี้แปลว่าความสิ้นตัณหาใช่ไหมคนที่รู้จักนิพานดีคนนั้นจะต้องรู้จักตัณหาคนที่รู้จักตัณหาดีก็แสดงว่าคนนั้นจะต้องรู้จักผลของตัณหาอ่าผลของตัณหาเป็นชื่อของทุกขาริยสัตว์ตัณหาก็คือสมุทัยอริยสัตว์ นิพพานก็คือธรรมะเป็นที่สิ้นตัณหาฉะนั้นธรรมะที่สิ้นตัณหานั้นน่ะคนนั้นจะต้องรู้จักทุกขสมุทยัยจึงจะรู้จักทุกขนิโรธเนี่ยนะคนที่รู้จักทุกขนิโรธดีนั้นจะต้องรู้จักทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาคือการแทงตลอดอริยสัตว์นั่นเองฉะนั้นพระองค์นั้นเสด็จไปอมตะนิพพานอย่านึกว่าก้าวไปนะไม่ใช่เดิมมีสกายะทิธิวิจิกิจชาศีลปัตตะปรามาณ ผู้ที่ไม่ใช่พระโสดาบันยังละโดยเด็ดขาดไม่ได้พระองค์นั้นพอบรรลุเป็นพระโสดาบันของคําว่าสกายะทิฏฐิสุขคตหรือสุขโตสุขโตนิยะต่อไปก็คือผู้เสด็จไปโดยชอบนะเสด็จไปดีนะเสด็จไปโดยถูกต้องคําว่าเสด็จไปโดยชอบเสด็จไปดีเสด็จไปถูกต้องก็คือพระองค์ทรงเสด็จ ทรงไม่ทรงกลับมาหากิเลส ท, ที่ทรงละแล้วตั้งแต่โสดาปฏิมาคเป็นต้นกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นมีสกายะทิฏฐิวิจิกิชฌาสีรพัตะปรามากผู้ที่ไม่ใช่พระโสดาบันยังละโดยเด็ดขาดไม่ได้พระองค์นั้นพอบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะสกายะทิฏฐิวิจิกิชฌาสีลรพัตะปรามาก บาปอากูโซ ร, รรทำอย่างอื่นหรือว่าขันกิเลสเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็ไม่มีการย้อนกลับมาหาสิ่งเหล่านั้นอีกเพราะว่าโซดาปฏิมากําจัดกิเลสเหล่านั้นแล้วสกาทาคามีมากก็ทำการมาราคะและปฏิฆะให้เบาบากเนี่ยนะเพราะพระองค์บรรลุสกาทาคามีมากแล้วกามาราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบปฏิฆะอย่างหยาบ ก็ไม่เกิดขึ้นสำหรับพระองค์ทีนี้อนาคามีมักของพระองค์เกิดขึ้นการมาราคะอย่างละเอียดปฏิฆะอย่างละเอียดที่เหลือจากสกัดอาคามีมักก็ไม่เกิดขึ้นสำหรับพระองค์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นพระอนาคามีเจึงราสกาญาธิธิวิจิกิชสีละพัตต์ปรามาตการมราคะปฏิฆะได้อย่างเด็ดขาดเขาเรียกว่าละสังโยตเบื้องต่ำห้าได้โดยเด็ดขาด แต่ถ้าหากว่าพระองค์เป็นพระอาหารหันต์สังโยชน์ทั้งหมดกิเลสทั้งหมดอกุศลจิตทั้งหมดทุจริตทั้งหมดอกุศลกรรมบดทั้งหมดอกุศลธรรมทั้งหมดโอฆะโยคะคันทะนิวรณะอนุสัยสังโยชกิเลสบาปอากุศลธรรมอย่างอื่นชนิดอื่นๆกิเลสปันหะปัน5ะตันหาร้อเนี่ยละได้หมดเกลี้ยงไม่มีส่วนเหลือเลยเพราะฉะนั้นคําว่าพระสุคดพระสุคดหรือสุขโตนี่นะ ก็คือพระ อ, องค์ไม่กลับย้อนไปหากิเลสเหล่านั้นเลยที่เรียกว่าเป็นคนที่ชนะกิเลสทั้งหมดเป็นการชนะหรือเป็นชัยชนะที่ไม่กลับไปหาความพ่ายแพ้อีกต่อไปที่เรียกว่าชนะทาวรเลยมันชนะที่ไม่กลับไปพ่ายแพ้อีกก็คือชนะบาปชนะอกุศลชนะกิเลสแต่ถ้าชนะสงครามนะเป็นการชนะที่ต้องกลับไปพ่ายแพ้อีก วันนี้เรารบชนะเขาพรุ่งนี้เขาก็ไม่แน่นะเขาจะรบชนะเราหรือนักมวยเนี่นะโหยต่อยเก่งหน้าดูเลยนะต่อยซ้ายต่อยขวาฮกซ้ายฮกขวาชนะนอกเลยวันหลังเขานอกเราเอามัง่งชัยชนะที่กลับมาพ่ายแพ้ อ, อีกแต่ว่าผู้ที่ชนะบาปชนะอกุศลชนะกิเลส ท, ทั้งหมดแล้วเป็นชัยชนะที่ไม่กลับมาพ่ายแพ้ อ, อีกชนะอย่างนี้ชนะทีเดียวนะ แม่น่าจะลั่นกลเพราะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะเขาก็ทําอะไรเขาก็ตั้งเพื่อเป้าหมายอันนั้นของเราถ้าตั้งปุ๊บอารม์ตั้งเป้าหมายที่ชอบมุงม่งมัง่งางยอมแพ้ซิโนโราบตั้งแต่ต้นแล้วแต่นะไม่เป็นไรให้ฐานก็ตั้งความปรารถนาตั้งเป้าหมายว่าด้วยผลแห่งฐานนี้ขอจงเป็นไปเพื่อสิน้นอากุศลสิ้นกิเลสอันนัน้ถ้าตอนนี้ยังรบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตั้งเป้าหมายไว้ก่อนเคยเห็นเด็กๆว่า เด็กๆเนี่ยมันเวลามันโกรธอะไรสักอย่างเริ่มได้อะไรสักอย่างมันจะกัดฟันไว้ก่อนใช่ไหมเด็ก ๆ, ๆเนี่ยนะตั้งใจบ่อยๆจะต้องเอาคืนคนนี้ให้ได้เป็นต้ น, น <S <S <S 1> <S 1> เนี่ยนะเด็กเออตอนนั้นทําอะไรเข้าไม่ได้สักอย่างหรอกแต่นานๆเขา้าเออเด็กคนนั้นทําได้จริงๆนะเพราะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนะเขาก็ทําอะไรเขาก็ตั้งเพื่อเป้าหมายอันนั้นของเราถ้าตั้งเจตนาลมตั้งเป้าหมายที่ชอบถูกต้อง ตั้งความปรารถนาที่ดีที่ถูกต้องให้ทานก็ตั้งความปรารถนาเพื่อแทงตลอดอรยิยสัจบรรลุมรรคผลของอบรรลุมรรคผลที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงรักษาศีลเป็นต้นก็ตั้งความปรารถนาลักษณะนี้นะอันอย่างนี้ทานศีลเป็นต้นที่เราทํเนี่ยนับว่าเป็นบารมีนะนับว่าเป็นบารมีพระผู้ที่บรรลุธรรมบรรลุกุศลธรรมดีๆอย่างเนี่ยเขามีบารมี ของเรานี่กําลังสร้างบารมีนะให้เขาบรรลุก่อนไม่เป็นไรทุนั่นะนะเรารู้ทางแล้วเราเดินตามได้นะไปก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ของเราก็อย่าเผลอหยุดแย่กันนะหยุดก็นนะยดกแย่แล้วเขาบอกว่าเดินตามถนนหรือสมมติวนะ่าทางเดินของเราเนี่ยเป็นทรายทีนี้ทรายมันดูดเขาก็เเนื้อว่าเดินมาแค่ไกลเลยหยุดเลยเนี่ยสบายแล้วนั่งพักผ่อนก่อนเนาะทรายเนี่ยมันดูดจมมิดกระทุ่มหัวไปแล้ว ถ่าหยุดไม่ได้แต่ก็ถ้ารีบมากเป็นไงเหนื่อยมันล้าเนอะเดินบนทรายเนี่ยเหนื่อยเร็วล้าเร็วมันลานนะ้าเนี่ยนะขาในก้าวไม่ค่อยจะออกแต่ถ้าหยุดทรายมันก็ดูดรีบเร่งไปมันก็ล้าแล้วก็เลิกแต่ถ้าหากว่าหาความพอดีพบเจริญกุศลธรรมได้อย่างต่อเนื่องก็สามารถที่จะประสบความสาเร็จได้ นั้นคำว่าสุขโตก็คือพองไม่กลับมาหากิเลสเหล่านั้นได้อีกแก่กว่าจะถึงวันนี้ได้นะทีนี้ต่อไปอีกนะคำว่าสุขโตหรือสุขคตก็คือทรงดำเนินไปตามมัชิมาปฏิปทาคำว่ามัชิมาปฏิปทานนั้นเป็นข้อปฏิบัติสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดทั้งสอง คือพระปัญญาของพระองค์นี้ไม่เข้าไปในส่วนสุดทั้งสองคือสัตตะทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิคำสอนใดที่กล่าวถึงขันห้าคำสอนนั้นปฏิเสธสักกายทิฏฐิเนี่นะเออเมื่อกล่าวถึงรูปนามขันห้าแล้วนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเมื่อกล่าวถึงขันห้าไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นเลยขันหมีจริงแต่สัตบุคคลที่อยู่ในขันห้าไม่มี นะมีแต่ขันห้าเอาขันห้าเป็นธรรมะที่อาศัยปัจจัยเป็นเหตุประชุมขึ้นเขาจึงเกิดขึ้นและถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยขันห้าเหล่านั้นก็ถึงเขาถามว่าวิญญาณนี้ออกจากไหนของร่างส่วนไหนของร่างกายบางคนก็บอกต้องออกทางหน้าผากสิเพราะว่านะเอาปูลพลาสเตอร์มาแปะไว้เลยไม่ให้ออกอะไรจะได้ไม่ตายงั้นว่าบางคนใจในลักษณะนี้เรียกว่าทางสัสตตตถทิฏฐินะ สำคัญว่ายาวเป็นพืชไปเลยทีนี้ถ้าหากว่าผู้ใดสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้ศูนย์สำคัญว่าหูตายแล้วก็เผาแล้วก็ชีวิตก็เหลือแต่เชิงตะกรเท่านั้นแหละเหลือแต่เท่าเหลือแต่ถ่านถ้าใครสำคัญว่าชีวิตมีอยู่แค่นั้นอันนั้นก็เป็นอุดเชททิฐิ แต่ถ้าหาว่าใครสําคัญว่าตายแล้วนะวิญญาณเนี่ยมันเดินออกจากร่างเลยนะเขาถามว่าวิญญาณนี้ออกจากไหนของร่างส่วนไหนของร่างกายบางคนก็บอกต้องออกทางหน้าผากสิเพราว่านะเอาปูนพลาสเตอร์มาแปะไว้เลยไม่ให้ออกไรจะได้ไม่ตายงั้นว่าบางคนก็บอกวิญญาณนี่มันออกออกจากทางหน้าผากนะมันมีจุดอยู่บางจุดนะีมันจะออกจากตรงนั้นแหละบางคนก็บอกออกทางจมูกเหมือนกันบางคนออกทางปากนะ นี่พระเจ้าปลายาเสดเนี่ยเอาไปไว่าเอาไปขังไว้ในตุ่มเลยดูซิ้มจะออกทางไหน น, นะไม่เห็นออกเลยเนะเาะอ้าวงั้นก็ไม่มีสิงั้นสัตว์ตายแล้วก็ศูนย์สิคือคนที่เข้าใจว่าสัตว์ตายแล้วเนี่ยนะมีวิญญาณเดินออกมาเลยเคยดูหนังว่านีะน่ะรถชนกันโครมอย่างเงี้ยแล้ววิญญาณมันเดินลุกขึ้นพรวดแล้วก็เดินดมดมดม ด, ม, ด, ม, ดมออกจากนั้นเลยอ่าลักษณะนี้เป็นสัตตตทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน แต่คนที่เข้าใจว่าตายแล้วหมดเลยอันนี้ก็เป็นอุดเฉททิาทิอ้าวแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงสอนว่าสังขารมีพระวิชาเป็นปัจจัยวิญญาณการเกิดในภพใหม่มีเพราะกรรมเป็นปัจจัยเนี่ยนะนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสลายตนะเออสลายตนะมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะมีเพราะ สลายยตนาเป็นปัจจัยเวทนามีเพราะภาษะเป็นปัจจัยเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นธรรมะในพระพุทธศาสนาก็คือกล่าวว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเป็นไปตามอำนาจของปัจจัยปัจจัยก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเนี่ยนะตัวปัจจัยเองก็ไม่เที่ยงผลพวงของปัจจัยก็เป็นของที่ ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นก็ล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาฮันหลพระองค์นั้นทรงแสดงคำสอนที่ไม่เอียงไปหาสัตตะและอุเฉธะสัตตะนี้แปลว่าความเที่ยงอุเฉธะแปลว่าความขาดศู <c oughs> นย์ฮัลโหลพระองค์นั้นไม่ดาเนินไปตาม สัสตะหรืออุเฉทะคือไม่สําคัญว่าเที่ยงหรือไม่สําคัญว่าศูนย์นะถ้าหากว่ามีข้อยู่สรุปจะเอาไงดีก็บอกว่าจะว่าคนเดียวกันก็ไม่ใช่็กชายปั้ ม, มว่าโคลัมนะเป็นตัวอย่างหน่อยก็บอกว่าเด็กชายปั้มเมื่ออายุหนึ่งขวบกับเด็กชายปั้มเมื่ออายุข้างหน้าต่อไปอีกห้สบขวบเนี่ยถ้าอยู่ได้อายุห้าสเจ็ดสิอย่างเงี้ยนะ ถามว่าคนคนเดียวกันไหมอ้าวถ้าถามว่าเขาเป็นคนคนเดียวกันไหมอ้าวถ้าคนละคนอ้าวทำไมจึงเรียกปั้มอ่ะเพน่าจะเปลี่ยนไปอย่างอื่นอ่าก็บอกว่าถ้าหาว่าคนคนเดียวกันก็น่าจะเหมือนเดิมหมดถ้าคนละคนก็น่าจะห่างกันสิ้นเชิงไปเลยแต่ก็ยังมีเชื้อของเก่าอยู่สรุปจะเอาไงดีก็บอกว่า จะว่าคนเดียวกันก็ไม่ใช่จะว่าคนละคนก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเป็นความสืบเนื่องความเป็น